ที่จะแก้ไขให้หมดสิ้นไปได้แต่ทุกขังท้องใจเมื่อพิจรารณามีปัญญาเข้าใจจริงทุกนั้นจะต้องตกไปไม่มีทุกขในจิตในใจเพราะความรู้เท่าเข้าถึงเรื่องต่างๆแก้ไขความโกรธเกียดต่างๆรักต่างๆ ออกจากใจเพราะใจที่ลำเอียงไปตามเรื่องต่างๆนั้นนำทุกขมาให้แก่ตัวของตัวไม่ใช่ใจที่มีอาจมีธรรมไม่ใช่ใจเป็นตาทีนี้พี่แจนาะหาทางสอนตัวอยู่สม่ำเสมอรักษาตัวให้สงบ จากสัญญาอารมณ์ที่เป็นข่าสึกของใจใจตั้งมั่นไม่หวั่นไหวเหมือนกอดถ้างๆีีตายังมีหูยังมีจะหมูกลิน้นกายใจยังมีแต่จะไปจิตไปขว้องไปปรุงไปคิดในสิ่งที่เป็นพิดเป็นภัยนำให้จิตใจเศร้าหมอง เลือดร้อนวุ่นวายนั้นอาศัยธรรมะอาศัยปัญญาทิจารนาใจเลยได้รับความสงบสงัดพอตาเห็นก็มีปัญญาที่ไปแนสอนด้วยจิตที่มีสมาธิความหนักแน่ความลงรวมเป็นพื้นฐาน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 ใจ mềm ไปหมายใจไม่ไปเกี่ยวข้องด้วยสัญญาอารมณ์แล้วเร่งเหล่านั้นมันก็ผ่านไปตกไปนี่ใจของเรายังหมายว่าหญิงว่าชายว่าดีว่าชั่วจึงโกรธจึงรักมีการสอนตัวด้วยปัญญาที่เจรณาแก้ไข ให้ใจหายจากรักจากโกรธเพราะนำทุกมาให้ใจไม่เป็นกลางใจไม่เป็นธรรมใจยังหวั่นไหวต่อสิ่งเหล่านี้เราจะต้องพิจารณาเน่นหนักเข้าไปหากเพียรพยายามข่มกิเลสเข้าไปเพราะพิ่งเหล่านี้มันมีอยู่ไม่รู้มันก็มีอยู่รู้มันก็มีอยู่ ความหลงจีตไปหมายจิตไปจิตไปคล้องมันเป็นพิษเราต้องแก้แก่จิตของตัวแก้ได้โดยอุบายปัญญาหากมันเป็นปัญญาจริงจังมันแก้ได้ถ้ามันเป็นสัญญามันแก้ไม่ได้ได้หรือไม่ได้ก็อยู่กับตัวของเราอีก เข้าใจเรายังไม่เข้าใจในตัวของเราเองก็เชื่อเรายังแก่ไม่ได้ยังไม่หายสงสัยกำหนดใจนะเรื่ อ, องนั้นให้เกิดปัญญาตายาภายในยจนสามารถเข้าใจชัดเจนอย่างนั้นจิตไม่เกี่ยข้อง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 ด้วยอำนาจที่ใจมีกิเลสตัณหาในเข้มละไปบ้านใหม่เห็นใหม่ก็ตจิดข้องอีกเรื่องของจิตของใจถ้าในเร้มละภายในมันเป็นอย่างนั้นไม่มีที่ใดที่จะสุขจะสบายเหมือนกับหมาหัวบาดไปอยู่สถานที่ใดมันก็ม่มีความสุขความสบายพอนอนใส่หัวมันอยู่ อยู่ที่ไหนมันก็เป็นทุกข์ไม่มีความสุขถ้ารักษาบาดมันหายมันจะนอนเท่านอนดินที่ไหนมันก็นอนได้สะดวกสบายทของมันจิตใจของพวกเราถัานกว่าทำนองเดียวกันหาจิตยังไม่ดีมีกิเลไสไปสถานที่ใดก็มีแต่ข้าสุกศัตรูจะไปอยู่สถานที่ใดมันก็มีแต่ภัยอันตราย ฉะนั้นจึงควรแก้ไขการแก้ไขก็ไม่มีอะไรที่จะเนื้อไปจากปัญญาทีนี้พิจารณาให้ทั่วถึงให้เข้าใจตามเป็นจริงถ้าปัญญาเกิดเยื่ยมภูปัญญาหรืออวิชามันตกไปหลุดไปหมดไปถ้าปัญญายังไม่เกิด ทีนี้พี่เจอนให้มากปัญญาจะเกิดก็าอาศัยปัญญาด่านภายในปัญญาด่านภาวนาจึงเป็นปัญญาที่จะละถอนกิเลสปัญญาเหว่ยสุดตามายปัญญากินตามายปัญญาปัญญาขั้นต่ําไม่สามารถที่จะสังหารล้างฐานกิเลสภายในให้ตกไปได้อาศัยการภาวนา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 ให้สอนตัวอย่างนั้นโดยเฉพาะให้พิจารณาถาดขันเพราะถาดขันเป็นยิปัสสนาจะเกิดปัญญาแจ่มใสเข้าใจทั่วโลกวิปัสสนาภูมิที่ท่านกล่าวไว้มันมีอยู่ในกายในใจไม่ใช่อยู่ที่อื่นซึ่ง ท่านว่าที่ทาคือทำยิ่งมันมีอยู่นี่ปัญจขันธารูปขันธเวทนาขันโผไม่มีอยู่ที่ไหนปัญจขันธก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารมินยาณมันมีอยู่ทุกท่านไม่ว่าผู้เป็นพระไม่ว่าผู้เป็นเนรไม่ว่าเป็นฆราวามันมีด้วยกัน อภิธรรมจึงมีอยู่กับพวกเราทุกท่านถ้าเราเรียนถูกพิจารณาถูกจิตใจพวกเราจะยิ่งจะเห็นธรรมยิ่งจิตก็จะยิ่งไม่มีสิ่งที่จะมารบกวนวุ่นวายเพราะพิจารณามันถูกพิจารณาให้มันถูกพิจารณาให้มันเกิดกิเลสปัญหามันพิจารณาได้ มันปรุงไปได้ทั้งสิ่งนั้นเราไม่เห็นไม่มีอยู่ในตัวของเราไม่มีอยู่ใกล้ตัวของเราเช่นอารมณ์เก่าก่อนที่เคยผ่านมารักชอบอย่างไรคิดไปมันยังกำหนักยังยินดียังเพลิดเพลินเรื่องคิดแก้ไขก็ทำนองเดียวกันจะ ก, กำหนด คนตายอสุภาเอาสุพังที่เราไปเห็นในป่าช้าหรือไปเห็นตามสนนหุนทางต่างๆึติดหูติดตาว่าคนนั้นตายไปอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นมาพิจารณาก็ได้จะพิจารณากายของตัวก็ได้แต่พิจารณาไปในทางทำใจจะไม่เห่อใจจะไม่หลงใจจะไม่เกิดกาหนับยินดี ถ้าพิจัยนาไปในทางโลกนั่นก็นี่แต่จะหลงจะไหลจะเสียจะหายไปฉะนั้นใจดวงเดียวนั่นแหละมันเกิดรักก็ได้เกิดโกรธก็ได้ให้พิจัยนาถูกมันจะเป็นทางถูกได้พิจัยนากายจิวประชาอาจารย์สอนขอ ง, ของขอผมคนเลี้ยฟัน เป็นกรรมฐานมูลกรรมฐานเป็นฐานจีบกวนพิจารณาเพื่อตัดราคาตันหาของใจหากเราปล่อยเอาไว้ท่านสอนแล้วก็แล้วไปไม่ได้พิจารณาตามเป็นจริงใจจะลุ่มหลงช้างั้งจี่เคยหลงมาอยู่แต่ก็ไม่มีวันรู้วันเข่าใจยิ่งหลงก็หลงเรื่อยไปเพราะไม่วก เขามาสอนใจตัวเองพิจารณาในทางธรรมพิจารณาตัวเองในด้านรูปเสียงต่างๆโดยเข้าใจถนัดชัดเจนโลกทั่วไปไม่ต้องไปพิจารณาไม่ต้องไปดับมันดับจิตใจของตัวเท่านั้นประดับโลกทั้งสามนะการมาโลกรูปโลกอรูปโลกมันมีอยู่ในใจ มันไม่มีอยู่ที่อื่นที่จะเอาแจกขายตัวเองวัตถุ์ิมต่างๆที่เป็นอ น, นิจจังมันอ น, นิจจังทั่วไปเข้าใจขนาดแต่เราไม่เคยเกิดหรือเราเกิดอยู่มีชีวิตอยู่หรือเราตายไปแล้วมันเป็นอยู่อย่างนี้ไม่ว่าวันคืนเดือนปีไม่ว่ามนุษย์สัตว์มันจึงไม่มีอะไร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 เกิดผลเกิดมันเกิดขึ้นในด้านาหากเราไม่มีอุบายไม่มีปัญญาแนสอนตัวหากเพียนพยายามบังคับบัญชามีสติมีปัญญาเท่านั้นที่จะเป็นทางฝ่ฟาฟันอุปสรรคคือกิเลสตัณหาพยายามแต่ทำบำเพ็ญ พองเราเย็นอย่างเดียวโลกมันจะร้อนขนาดไหนมันเย็นได้สบายได้จิตของเราร้อนจ ะ, จะอยู่ในห้องแอร์มันก็ร้อนจิตจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกท่านควรฝึกควรอบรมควรแนะนตัวมันชั่วมันดีมันไปจากจิตหาจิตชั่วแล้ว จิตเสียแล้วทุกอย่างมันเสียไปหมดรักษาจิตรักษาใจของตนด้วยสติด้วยปัญญาทีนี้พิจารณาทำแนะสอนใจที่เคยเหลวไหลใจที่เคย <c oughs> เพิดเพลินจะเกิดเป็นใจดีใจสงบมันเป็นมาอย่างนั้นทุกท่านไป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 ระหวางรักษาไม่ต้องหางานมาให้มันไปของมันเองทุกระยะทุกเวลาจะกินจะดื่มจะเดินจะนอนจิตจะต้องคิดในเรื่องของธรรมสม่ำเสมอเรื่องของโลกจะมาก่อเกี่ยวไม่ได้ี่ถึงขั้นมันจะเป็นไปอย่างนั้นมันเป็นไปจริงๆมันไม่ยอมที่จะไป เดี่ยวข่วงเรื่องหนอกพยายามฝึกพยายามอบรมหรือจะยอมโง่ยอมตายอยู่กับโลกหน่อยไปเราเม่สอนเราเราไป็ฝึกเราจะให้ใครฝึกให้่อยมันไปกว่าเคยปล่อยมาแล้วนับครบนับขาดไม่ได้ชาติตัุบันมันให้สุขขนาดไหนมันให้ทุกข์ขนาดไหนก็เพาราะว่าทรา อย่งความสงบสงัดปฏิบัติลาถอนกิเลถึงจะทุกใจยากจะลาบากลาคาญก็เป็นเรื่องที่จะต้องทำเพราะผลมันมากพยายามสอนตัวอบรมตัวมานข้องศาสนามานข้องจิตใจ มันก็อยู่กับจิตกับใจของตัวเองเหมือนกันกับสนิม <c oughs> มันไม่ได้เกิดขึ้นจากที่อื่นเกิดขึ้นจากเหล็กแกก็กัดกินเหล็กนี่กิเหล็กปัญหามานาทิ่พิธึถึงเป็นมานท้องอัจท้องทำก็เกิดขึ้นจากจิตใจของเราพยายามปาดเป่าหักสีโดยอาจเกิดทำให้มากสิ่งเหล่านั้นจะตกไป เมื่อเหล็กไม่มีแชนิมเหลยกนั้นก่อสวยงามทนทานจิตใจของพวกเราทันกับทำนองเดียวกันเมื่อไม่มีจิเลตปันหาแชนิมก่อจิตก่อใจมันจะเป็นอย่างไรจะเข้าใจในตัวเองความสงบความสุขความดีความวิเศษเป็นอย่างไรไม่ต้องไปถามถึง เพราะตัวเองเห็นตัวเองเป็นจึงไม่มีความสงสัยมีการปฏิบัติธรรมมันเป็นอย่างนั้นผูที่ท่านรู้ท่านเห็นท่านเข้าใจในเรื่องของธรรมจึงไม่มีเรื่องอะไรที่จะไปปิดบังความสุขความสบายของท่านทุกคนต่องการความสุขความสบายหากจะให้มันเกิด มันเป็นมันเห็นมันรู้ด้วยการหมาประพฤติปฏิบัติคนแก่ทั่วไปไปจะพ้นไปจากกิเลสตัณหามีความสุขความสบายภายในใจทั่วหน้ากันนี่ในต้นอย่างนั้นจะเท่าจะแก่ขนาดไหนก็ตามหากไม่มีการประพฤติปฏิบัติไม่มีอาจมีทำแล้วแก่แต่รูปใจมันไม่แก่ยังเป็นเด็ก ยังวุ่นวายกังวลดิ้นรนในกิเลสแสกามต่างๆไม่มีเวลาที่จะต่างจะเบาเรื่องของจิตมันเป็นอย่างนั้นต้องอาศัยธรรมเท่านั้นเ้าไปฝึกไปอบรมใจจริงจะเป็นใจคนแก่ได้ใจจริงจะอยู่สะดวกสบาย พยายามทำเพราะไม่มีจิตการงานอะไรไมายุ่งเกี่ยวกลางคืนเมื่อนั่งเหนื่อยไปแล้วก็มีหยุดเดินตรงกลมตลางวันอยากจะเดินในร่มในเงาก็เดินได้เพราะมีทางจงกลมในป่า เขาทำไรทํานาต่างแดบดบทั้งวันเขาทาได้เราเดินตรงกรมเรากลัวขาจะถาดตายถ้าเป็นแบบนั้นมันเป็นไปรมาได้ใคาจะไปเชื่อไปเรื่องกิเลี่ยนัญหาอยู่อายุว่าทําขนาดนี้พอแล้วพออะไรได้อะไรเป็นที่พอใจเป็นผิดปลุนใจทําไมเราพอเมื่อคุยกัน หมายเห็นว่าพอแล้วเราคุยได้นั่งเล่นคิดเรื่องอื่นคิดมาพอแล้วไ ม, ไม่เห็นว่ายังคิดกันอยู่หาทางจับผิดผิดของตัวเองหาทางสอนตัวเองอารมณ์ที่เราเคยผ่านมาระยะยาวนานกวาตาัง ทางกิเลสตัณหารูปเสียงต่างๆที่เคยเห็นมาครั้งๆที่เคยเห็นเคยรู้ในสิ่งหนึ่นนั้นเคยเบื่อแต่ก็ไปชอบไปติดไปคิ ด, ไ ป, ดไปปรุงอีกทำไมไม่เบื่อแล้วการพยายาี่าจ้าธรรมะจะเป็นการบริกรรมหรือการกำหนดบดทธรรมเราจะไปเบื่อมันทำไมเพราะใจ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 ว่าจิตใจจะต้องมีหลักฐานแกนสารมีความสุขความเจริญดังนั้นโอกาสเวลาในพรรษาไม่มีอะไรมาวุ่นวายเกี่ยวข้องต่างหน้าต่างตาประพฤติปฏิบัติให้จิตมีหลักมีฐานอย่าไปประมาทอย่าให้เกิดเองเป็นเองเป็นไปไม่ได้หากเราไม่ศึกษาไม่แต่ทำบําเพ็ญ เพราะทุกอย่างมันไม่เป e ็นมาเองเป็นมาจากเหตุพยายามสอนตนฝึกฝนอบรมอย่าไปประมาทการอธิบายธรรมะกราเห็นว่าเรต้องควรใชเวลา